พอเห็นลูกหลานนักเรียนมาใส่บาตรวันเนี่ยพอโรงเรียนบ้านน้ําซึมน้ําซึมใหญ่น้ําซึมน้อยพานักเรียนมาใส่บาตรมากลุ่มแรกประมาณหกสิบกว่าคนพร้อมทัพครูบาอาจารย์แล้วจะมาอีกประมาณเกนาฬิการวมแลวประมาณสองร้อย สองร้อยสามสิบจะมาอีกรอบสองรอบแรกเขาต้องรออยู่นี่ก่อนเพราะนั้นพวกทางในครัวเน่ช่วยช่วยจัดอาหารลูกหลานนะอาหารตอนเช้านะเนี่ยเลี้ยงลูกหลานยังไงหลวงพ่อว่าเป็นผลดีสำหรับ พาลูกหลานเข้าวัดวาศาสนาเพื่อไม่ให้เมื่อเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาก็เมื่อเข้าวัดก็ไม่เก๋เขินเขิน เ, เ, เ, เพราะเคยเข้าวัดมาแต่สมัยเป็นเด็กเคยเรียนรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเลียมประเพณีของวัดเมื่อเป็นผู้ใหญ่เข้ามาก็ทําได้ไหว้พระอย่างไงสวดมนต์อย่างไง สมาทานศินยังไงต้องเรียนรู้มาแต่เด็กถ้าไม่เคยเข้าวัดจะเลยไม่รู้จะทํำยังไงทําไม่ถูกนี่แหละลูกหลานเรานี่ะเป็นทายาทเป็นทายาทของพระพุทธศาสนาเป็นทายาทของพวกเราพวกเรามีแต่เท่าแก่ชลาไปเรื่อยลูกหลานก็ทดแทนขึ้นมาเรื่อยแต่ถ้าเราไม่ แนะนำแล้วไม่สร้างทายาทขึ้นมาทดแทนมันก็คงจ ะ, จะขาดช่วงไปเหมือนกันเพราะนั้นเรื่องลูกหลานถึงจะยากลําบากยังไงมันก็ต้องได้คิดไวอีกเหมือนกันไม่ใช่ว่าจะหมดเพียงชุดของพวกเราแล้วก็จะจบเพระพุทธศาสนาจะยืดยาวไปอีกยาวนานทีเดียวเพราะนั้นให้พวกเราทุกหมู่ทุกเหล่าทั้งฝ่ายพระสงฆ์ทั้งวาย พรวัญาติโยมทั้งฝ่ายครูบาอาจารย์นั่นแะช่วยๆกันคิดนั้นหลังอย่างหลวงพ่อเองหลวงพ่อก็บอกคณะสัทธาญาติโยมที่มาพักพำอาศัยในวัดของเราถือว่านี่เป็นญาติญาติธรรมหรือว่าญาติธรรมเป็นชายญาติของเราพวกเราดูแลให้การต้อนรับ ื่ยความเหมาะสมถูกต้องนะเพราะว่าในหลักของพระพุทธศาสนาหรือธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าปฏิสันฐานคารวาตานะคือเคารพในปฏิสันฐานปฏิสันถานคือต้อนรับขับสูนะ้พอสมควรตามฐานะนะนะไม่ใช่ว่า การต้อนรับขับสู่บางครั้งบางแข่งก็เกินไปถ้าเป็นเจ้าของกิจการงานชอบกินเหล้าเมายากันนั่นแหะพอมูพวกเพื่อนมากัดเลียเ้ยงเบียเลี้ยงเหล้ากันะอันนั้นดูชักจะเกินไปไม่ถูกต้องพราะมาแล้วก็ต้องมาด้วยสติสัมปชัญญะเวลาจะกลับไปก็ควรจะกลับไปด้วยสติสัมปชัญญะไม่ใช่ว่าออกไปจากเอ เจ้าของงานที่เจ้าของบ้านแล้วเดินไม่ตรงตามถนนหนทางเป๋ซ้ายเป๋ขวาฉะนั้นก็ไม่ถูกเหมือนกันนะบางแหง่งเจ้าของเจ้าของบ้านเจ้าของสํานักงานเจ้าของบริษัททางร้านเห็นหมูเข้ามาก็ชอบการประนันกันนะ่ะตั้งวงไพ่ตั้งวงไฮโลเออเอาเล่ามาเลี้ยงอีกต่างหาดแ่ะ อันนั้นก็ไม่ถูกอันนั้นไม่ใช่ปฏิสันฐานคารวตาอันนี้ทำให้เสียหายเสียหายผู้ที่มาเยือนผู้เข้ามาเกี่ยวข้องถ้าผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องและผู้มาเยือนเจ้าของบ้านก็ต้องตอนรับขับสู้ให้เห็นสิ่งที่ดีกลับไปอย่างน้อยก็ได้คำแนะนำสั่งสอนว่าเจ้าของบ้าน ท่านให้คำแนะนำอย่างไรเมื่อเราเข้าไปถึงบ้านของท่านจากนั้นแขกที่มาเยือนมาเพื่อทัศนะศึกษาก็ต้องดูว่ากฎกระเบียบในวัดวาศาสน า, าเป็นยังไสงสาลงศาลาญาติโยมผู้เฒ่าผู้แก่หรือว่าผู้ทรงคุณวุฒิที่มาสู่วัดวาศาสน า, ศ า, ศาท่านทำตนอย่างไร พวกที่เข้ามาทีหลังลูกหลานทั้งหลายก็จะได้เรียนรู้ว่ากฎระเบียบของพระสงฆ์เห็นพระสงฆ์เข้ามามากมายพอมาเข้ามาประจำที่แล้วก็นั่งไม่คุยกันคือเข้ามาประจำที่แล้วก็นั่งไม่คุยกันพูดแต่จะพูดคุยก็คือหัวหน้าอย่างที่เป็นลุงพ่อเป็นหัวหน้าลุงพ่อก็จะต้องพูดปฏิสันฐาน โอภาปาศัยว่าไปมาอย่างไงเป็นยังไงไปยังไงให้แก่ผู้ที่เข้ามาเยือนแต่ถ้าว่าทุกองค์พูดกันหมดในวัดอันนั้นจะยุ่งเหยิงวุ่นวายไปหมดเสียงอุดตโลเฮโลเหมือนกับโรงสุรากินเหล้าเข้าไปแล้วก็เมาหูตึงไปหมดแต่วัดว า, าสนาจะไม่เป็นอย่างนั้นอันนี้ พวกเราก็จะได้เรียนรู้ว่ากฎระเบียบของพระกรรมฐานเป็นมาอย่างไรนี่แหละอันนีค้คือการมองชุมชนและสังคมแต่และกลุ่มเราจะไปทำไมกลุ่มนั้นทำไมเป็นกลุ่มนี้ทำไมกลุ่มนี้ทำไมทำอย่างนั้นอันนี้เมื่อเราเข้าไปกลุ่มเราก็เพื่อการศึกษาเมื่อมากลุ่มพระกรรมฐานอย่างนีน้เราก็ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับพระกฎระเบียบของพระ จากนั้นเราก็ไปดูห้องน้ำห้องถายสะอาดไหมเป็นระเบียบอย่างไรในเมื่อเราไปใช้เราก็ทำให้สะอาดเหมือนกับที่ท่านทำเอาไว้อันนี้คล้ายๆว่าไปไม่ได้ไปเพื่อทำลายไปเพื่อสร้างสรรไปเพื่อเรียนรู้ในเมื่อเราเข้าไปแล้วก็ต้องทำให้ดีอยู่ในสภาพไหนเราก็ต้องทำให้ดีอยู่ในสภาพนั้นอย่างหวงตาเหอนกันอย่างหลวงพ่อเหมือนกัน หลวงพ่อลูกหลานจะไปพักในวัดว า, าศาสนาหรือไปพักที่เขาให้พักเราต้องระมัดระวังเวลาเขาไปห้องน้ำห้องถ่าเราก็พยายามทำความสะอาดให้อยู่ในสภาพที่เราเข้ามาอย่างไรก็ให้อยู่ในสภาพนั้นให้มากที่สุดถึงจะไม่อยู่ในเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นก็ให้มากที่สุดเพราะเราเข้าไปอาศัยเราเข้าไป พึ่งพาใช้ในบ้านของเขาบ้านของท่านอันนี้ก็คือการเข้าไปสู่วัดวาศาสนาหรือเข้าไปอยู่สู่สำนักหรือไปสู่ที่บ้านของคนอื่นเขาเนี่ยอันนี้ก็คือให้เป็นผู้สังเกตเพราะนั้นลูกหลานก็ดีพระเนนก็ดีท่านผู้ใดก็ดีไปน่กสถานที่ใดอย่าไปสร้างปัญหาอย่าทำให้เกิดปัญหากับที่สถานที่เราไป เราไปเพื่อส่งเสริมไปเพื่อสังเกตไปเพื่อเรียนรู้ให้มันดีที่สดุดในขณะที่เราไปนี่แหละหลวงพ่ออยู่ที่วัดป่าบัานตานสมัยหนึ่ง เ, เป็นคุณนายเอกอัครราชทูตอเมริกันสมัยสงครามเวียดนามสมัยนั้นอยูอย่ที่อุดรทหารฝรั่งอเมริกันเยอะแยะ เขาก็ส่งบุคคลสําคัญของประเทศเขาเขามาสังเกตการเหมือนกันแต่ทีนี้เขามาเขาสนใจเรื่องพระพุทธศาสนาเพราะว่ามีพระพลังอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดหลายองค์ทั้งชาวอังกฤษทั้งชา ว, ชาวเมริกันทั้งชาวแคนาดาสรุปแล้วก็คือพระฝรังทตนี้ก็คุณนายเอกอัครราชทูตนะท่านก็สนใจเรื่องพระพุทธศาสนาอยู่แล้ว แต่ท่านก็ไม่รู้จักขนธรรมเนียมมาประเพณีอดังนั้นเขาก็พามาใสบาตรพอมาใสบาตเสร็จแล้วก็ขึ้นมานั่งอย่างลูกหลานขึ้นมานั่งเดี๋ยวนี่แหละพระสงฆ์ท่านเดินมาท่าก็นั่งเงียบใครก็มานั่งเงียบไม่พูดไม่คุยกันตอนนี้ฝรั่งคุณนายเ อ, อกอรรัตนรจะโทษท่านก็เห็นอ่ะ ทำไมพระวัดนี้ทำไมไม่คุยกันวะไปเห็นวัดอื่นไม่แต่สนทนาปาลุบคุยกันแต่บัดนี้ทำไมไม่ไม่พูดไม่คุยกันเลยมาองไหนก็นั่งเงียบพระวัดนี้ทะเลาะกันหรือเปล่านี่นายคุณนายไม่สบายใจอ่างเ้ยพอมาเห็นแล้วไม่สบายใจเพราะเหตุอะไรเมื่อเรามาเนี่พระจะทะเลาะกันหรือเปล่าทำไมพระไม่คุยกันไม่สนทนากันนั่งคิ้ม จากนั้นพอลงจากสลาไปเขาถามไกดว่างั้นเถอไกดของเขาก็หลายคนเนหะ็นเพราะว่าเขาเป็นผู้พานามาเขาก็ดูแลความรับผิดชอบความปลอดภัยของเขาเนะ่ยเพราะยุกสมัยนั่นก็อย่างที่ว่านะจะไปพูดเปิดเผยก็ไม่ได้เหขาถามว่าทาไมพระวัดนี้ทำไมเข้ามาเลยคึ้นพระทะเลาะ ก, กันหรือเปล่านะเราม า, มาทาให้พระทะเลาะ ก, กันหรือเปล่านะ เออคุณนายเอกอัครราชาทูตสงสัยว่าไงนด้นเลยถามพอถามเสร็จแล้วพอตั้นก็นรู้ถึงอันนี้เป็นกฎระเบียบของวัดของพระกรรมฐานเคยมาอย่างไรก็เห็นอยู่อย่างนี้นะท่านเคยเคยทําอย่างนี้แหละเริ่มมาเวลาไหนท่านก็ทําทอย่างนี้เนี่ยมันเป็นกฎระเบียบไม่ใช่เราเพิ่งมาแล้วก็ไม่ใช่เป็นอย่างนี้ว่างั้นพอพูดจบแล้วก็เขาก็ไปทานอาหาร อาหารเสร็จเรียบร้อยเขาขึ้นมาอีกเลยไงไกดเขาก็เลยถามหลวงตาว่าเนี่ยคุณนายเอกอัพราชทษเนี่ยอเมริกาเนี่ยเขาสงสัยว่าทำไมพระจึงไม่พูดไม่สนทนากันนะนี่แหละหลวงตาก็เลยอธิบายให้ฟังว่านี่เป็นกฎระเบียบประเพณีของพระตรงเป็นลักษณะอย่างนี้ ถึงจะอยู่มากมายหลายองค์ขนาดไหนก็ตามผู้ที่จะพูดหรือผู้ที่จะสนทนาก็คือหัวหน้าหัวหน้าคือเป็นเจ้าของที่เป็นผู้ใหญ่เว้นเสียแต่หัวหน้ามอบหมายสมมติว่าจะมีการแสดงธรรมหัวหน้าก็บอกเออเอานี่ ม, มนต์องค์นั้นชื่อ น, นั้นขึ้นเป็นองค์แสดงธรรมถ้าท่านมอบหมายแล้วก็องค์นั้นจะขึ้นไปก็ขึ้นไปเทศนาว่าการ แสดงความคิดเห็นเต็มที่อยู่ในกรอบของหลักพระธรรมวินัยจากนั้นก็ลงมาแล้วก็กรกาบองค์ที่เป็นหัวหน้าแสดงความเคารพแล้วก็นั่งประจําที่จะไม่ให้องค์ไหนอยากจะพูดก็พูดไม่ใชใ่องค์ไหนอยากจะเทศไม่เทศไม่ใช่ต้องได้รับอนุญาตซะก่อนอันนี้ก็คือเป็นกฎประเพณีของพระถ้าภิกษุอยู่ด้วยกัน พิสูจแสดงธรรมถ้าพูดพร้อมกันถ้าว่าพร้อมกันต้องปาจิตติเนีคล้ายๆกับว่าในต่างคนก็ต่างไม่ฟังคาการปรับอบัดปรับโทษเมื่อผิดกฎกติกาของพระสงฆ์ผิดศีลของพระนะนี่แหละอันนี้ก็คือพระพุทธศาสนาเนี่ยถ้าเราย้อนไปถึงก็คือพระพุทธเจ้าเป็นใครพระพุทธเจ้าเป็นพระมาหากษัตริย์เป็นพระเจ้าแผ่นดิน ในเวียงในวังท่านมีกฎระเบียบอย่างไรในเมื่อพระพุทธองค์ได้มาเป็นนักพรตนักปวดได้ตัดจารุธรรมเป็นพนระอนุตรรสัมมาสัมโพธิญาณจากนั้นท่านวางศาสนาของท่านท่านก็ต้องวางกฎแบบกฎในเวียงวังเหมือนกันเเพราะว่าศากยบุตรพระทุกองค์เน่ยว่าสากยบุตรพุทธชินโนรถคือเป็นลูกของพระพุทธทเจ้าทั้งหมดเพราะนั้นพระทุกองค์จะไปพูด แบบสเปะสปะแบบก้าวก่ายกันไม่ฟังคํากันใครจะพูดอะไรก็พูดไปโดยที่ไม่คิดไม่อ่านไม่ได้นก่อนที่จะพูดก็ต้องดูซะก่อนดูตามาตาเรือซะก่อนต้องดูหัวหน้าซะก่อนเว้น<ส>เ<ะ> ส, <ะ> ส, สียแต่เออเอาในที่ประชุมปล่อยป่าแล้วเลยยังไม่ได้ประชุมอันนั้นก็ปรึกษาหารือกันปรึกษาปลารบกันอันนั้นคืออีกส่วนหนึ่งแต่พอเข้าที่ประชุมแล้วก็ต้องอยู่ใน ความสงบทุกวงก่อนที่จะเลิกก่อนที่จะออกจากห้องประชุมก็ต้องบอกเส ก, ก่อนผมขออนุญาตครับออกจากห้องประชุมเพื่อไปเข้าห้องน้าไปอะไรก็บอกโดยถ้าเขาว่าเดินออกไปถ้าเรียกประชุมกันแล้วออกไปโดยที่ไม่บอกกล่าวแสดงความไม่พอใจอย่างนี้ไม่ได้ปรับอบัตเพรางั้นมีหมดในที่ประชุมของพระสงฆ์ เพราะนั้นลูกหลานมาเห็นสถานที่มาศึกษามาสู่วัดวาศาสนาลูกหลานให้สังเกตให้ดูนะเพราลูกหลานต่อไปจะเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ต่อไปภายภาคหน้าเราจะต้องเ ข, เข้าสู่ชุมชนสังคมเราจะได้วางตัวถูกสรุปแล้วก็คือในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้ว่า<ม>อัตถันยุตตาให้รู้จักอัตถันยุตาให้รู้จักตน ปริสัยุตาให้รู้จักประชุมชนการันญุตาให้รู้จักการสถานที่ปริสัยุตาประชุมชนจากนั้นก็ปุคระปรูปรันญุตาให้รู้จักบุคคลเมื่อเข้าไปหาควรทําตนอย่างไรเมื่อชุมชนนี้เมื่อเข้าไปหาควรทําตนอย่างไรการเช่นนี้เมื่อเข้าไปหา เมื่ออยู่ในสถานการะเทศะเช่นนี้เราควรทาตัวอย่างไรสรุปแล้วก็คือในหลักของพระพุทธศาสนาท่านให้ใช้ปัญญาในการเข้าไปสังเกตและนการเข้าไปดูไปอยู่ในสถานที่นั้นๆไม่ใช่ว่าเราไปแล้วแอดตโลเฮโลไปคุยกันอย่างนั้นไม่ได้ผิดกฎระเบียบของแต่และแห่งอย่างบางทีเราไปในกฎบางแห่ง เขาให้บอกคนปิดวิทยุปิดโทรศัพท์เราเข้าไปก็ต้องปิดเพราะเหตุอะไรเพราะมันมีเหตุผลของเขาอย่างเราขึ้นเครื่องบินอย่างนี้เขาบอกให้ปิดโทรศัพท์ทั้งหมดออย่าไปใช้โทรศัพท์ในขณะอยู่บนเครื่องให้ปิดโทรศัพท์ะเพราะเหตุอะไรเพราะว่าโทรศัพท์ตัวนี้มันจะไปทําลายคลื่นของเครื่องบินของเขาถ้ามันเสียหายขึ้นมาแล้วเครื่องบินตกแล้วทํายังไง มมันไม่ใช่จะตายแต่เราคนเดียวตายไปทุกคู่ทุกคนเลยสิ่งไหนก็กตามที่มันมีเรื่องแล้วเขายังค่อยห้ามมันเสียชุมชนเสียสังคมเสียในกฎระเบียบในการเป็นอยู่นั้นๆเขาจึงได้ห้ามทาไมที่นั่นถ้ห้ามทำไมที่นี่จึงไม่ห้ามเราจะไปพูดอย่างนั้นไม่ได้เมื่อเราเขาไปกดทหารเขาต้องฟังทหารเราเมื่อเขาไปกด อยู่ในกลุ่มตำรวจแล้วก็ต้องฟังกลุ่มตำรวจในเมื่อเข้าไปหาพระสงฆ์ในกลุ่มไหนเราก็ต้องฟังในกลุ่มนั้นปฏิบัติตามกลุ่มนั้นอันนั้นคือรู้จักกาลเทศะบุคคลถ้าเราไปอยู่มาเลเซียเนี่ยเราก็ต้องเคารพกฎหมายมาเลเซียกฎหมายมาเลเซียเลยเราจะเอาลู ก, ลกปืนนี่ยนะดูปืนใส่ดัมดัมช้อนสมุด ด่านด่านซ้อนซ่อมกด็ดีหรือปลอกลูกกระสุนปืนกด็ดีถ้าติดตัวไปนะติดคุกเลยนะทำไมเพราะว่าเขาห้ามไม่ให้นำลูกกระสุนปืนหรือตัวปืนเข้าไปอถ้าว่าใครก็ตามมีปืนเข้าไปไปวัดถึงขั้นโทษประหารทีเดียวโทษหนักมากแต่มีลูกกระสุนเข้าไปก็ไม่ได้ติดคุกอีกเหมือนกันอขนาดปลอกลกระสุนนี่ก็ยังหลายเดือนเหมือนกันปลอกลูกกระสุนเนี่ยไปยิงที่ไหนมา คุณมีกระสุนไหมเนี่ยมีปืนไหมเนี่ยยังมีปอกกระสุนเนี่ยเพียงแค่นั้นแต่อยู่ในเมืองไทยเป็ น, นไม่เป็นไม่ผิดกฎหมายแต่ไปอยู่ม า, มาเลาเซียทำไมเป็นเพราะกฎหมายเขาเคร่งขัด เ, เขาก็ขังจริงเพราะมันผิดกฎของเขา เ, เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องเรียนรู้เราจะไปที่สถานที่ใดเราต้องเรียนรู้ในกลุ่มนั้นของเขาซะก่อนแต่ถ้าเราไม่เรียนรู้นั้น โตเตะเข้าไปก็ไปเจอกฎหมายกฎเหล็กของเขาผลที่สุดก็เสียอนาคตของเราไปได้ง่ายๆเหมือนกันเพราะเหตุไรเพราะเราไม่ได้สังเกตนี่ก็เหมือนกันเราไปณสถานที่ใดเราต้องศึกษาลูกหลานจะไปณัดสถานที่ใดต้องศึกษาต้องเรียนรู้ต้องทำความเข้าใจว่าเมื่อเราไปนี้เราควรทำตนอย่างไรในการสถานที่ที่เราไปณสถานที่แห่งนี้ ถ้าพวกเราได้ถามไผ่อย่างนั้นแล้วพวกเราจะวางตัวถูก น, นี่แหละอันนี้หลวงพ่อแนะนำหรือบอกกล่าวลูกหลานทุกคนที่จะเป็นผู้ใหญ่ต่อไปภายภาคหน้าไปทสถานที่ใดให้สังเกตสรุปแล้วอย่าไปไปแบบโตโตเตะเอาแต่ความคิดของตนเองเข้าไปวางแล้วมันขวางคนอื่นเขาพอขวางคนอื่นเข้าไปแล้วเนะี่ยตัวมากเราจะไม่ได้ความรู้ความฉลาด จากสถานที่เราเข้าไปศึกษานั้นเพราะเหตุใดเพราะเขาเห็นพวกเราไม่อยู่ในระเบียบจะบอกกล่าวอะไรก็ไม่ได้เพราะมันไม่อยู่ในระเบียบาะที่สุดก็เลยเปล่าประโยชน์สำหรับเราไปเฉยเฉยไม่เกิดประโยชน์อันนี้ก็คือเราต้องไปเรียนรู้เราต้องวางตัวอย่างไรเมื่อเราเข้าไปกลุ่มนี้แต่ถ้าว่าเมื่อเข้าไปอยู่ในรกดระเบียบแล้วสานักงานหรือว่า เป็นวิทยากรของเขาก็าจะให้ความรู้แก่เราแก่ลูกแก่หลานเพราะพวกเราอยู่ในความสงบจะอยู่ในก ฎ, กฎกติกาของเขานี่แหละอันนี้แปลว่าไปด้วยปัญญาไปด้วยปัญญาอยู่ด้วยปัญญาและก็นําสิ่งที่เราได้รู้ได้เห็นนั้นนํามาปรับปรุงแก้ไขตัวของเราจากนั้นตัวของเราจะเป็นคนดีผลละเมืองดี ไปในสถานที่ใดเป็นที่ยอมรับของคู่คนทุกหมู่ทุกกลุ่มทุกเหล่าเพราะ อ, อย่างใดเพราะเราไปนําแต่สิ่งที่ดีๆฮอมาปรับปรุงมาใช้กับตัวของเราถ้าไปเห็นแล้วสิ่งที่มันไม่ดีเราจะหลัดทิ้งเราไม่เอาเพราะมาแล้วกันนะมันเกะกะเอเพราะนั้นเราไปในสถานที่ใดเราจึงเป็นเลือกเอาแต่สิ่งดีๆฮะน ทางฝ่ายพระสงค์กูบายอาจารย์ท่านพูดในพระไตรปิฎกท่านว่าเราไปน่าสถานที่ใดให้เหมือนกับแมลงผู้แมลงผึ้งไปเอาเกสรดอกไม้ไปเอาเกรสรบัวเกเสรดอกไม้เราไปเลือกเอาแต่ของดีๆแล้วก็นํามาเลี้ยงลวงหลังเอามาไว้ในลังของตอนเองเราจะไม่เอาใบไม้แก่แก่กิ่งไม้แก่แกกิ่งไม้ผุผุเออเอามาเพื่อใส่หลัง ถ้าเป็นผึ่งมแมลงผู้มแมลงผึ่งางานที่มันโง่มันเซอ่อมันก็คงจะไปกัดเอาใบไม้แห้งๆหน่อมาใส่ในลังพวกอยู่ในลังนี่นก็คงจะประนามาแกเอามาทําไมใบ ไ, ไม้แห้งๆกิ่งไม้แห้งๆมาให้ลกหลังนะทาไมไม่เอาของดีๆกิ่นดอกไม้หอมๆน้ําผึ่งน้ําเกรสรดอกไม้ มาบำรุงรังของเราเนะี่ยถ้าพึ่งที่มันฉลาดมันเก่าตรงพูดอย่างนั้นหนีก็เหมือนกันนะเมื่อเราเข้าไปในสถานที่ใดมันต้องมีของดีเออถ้าเป็นวัดว า, าศาสนาหรือเป็นสำนักใหญ่ๆขึ้นมาแล้วสำนักงานไหนก็ตามนะเมื่อเราเข้าไปแล้วเขาจะต้องตอนรับขับสู้เราเขาจะต้องหาสิ่งที่ดีๆมาพูดให้เราฟังเราจะต้องได้ศึกษาสิ่งที่ดีๆในสำนักงานขาดเขานั้นจากนั้นเขา เราก็นําสิ่งที่ดีๆของสํานักงานที่เราได้ยินได้ฟังนั้นอกลับมาที่นี่ปรับปรุงแก้ไขของเราให้ดีขึ้นอย่างเหมือนกับแมลงผู้แมลงผึ้งเหมือนกับผึ้งไปเอาเกรสรดอกไม้ได้มาแล้วก็บํารุงรังของตอนเองแต่ต้นไม้ตัว น, นั้นเขาก็มาเดมตามมาดูอีกเหมือนกันว่าแมลงผู้แก่ขโมยเอาเกรสรมาบํารุงรังของแต่แก่ไหม เขาก็ไม่ได้ว่ามิแต่เขาพร้อมที่จะให้อยู่แล้วแต่ผู้ที่เข้าไปเท่านั้นและฉลาดพอไหมที่จะเอาเกสรเหล่านั้นมาใส่รวงลังของตนเองเนะท่านั้นขอฝากไปกับลูกหลานทุกคู่ทุกคนครูบาอาจารย์ทุกท่านนะที่มาสู่วัดวาศาสานารึไปนะสถานที่ใดก็ให้ใช้ความรอบคอบอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวนะตอนนี้ไปพระสงค์จะอนุโมทนาให้พร